บุ๊ก <Book> 2ูยี่สิบเอ็ดการสนทนาสองคุณมาจากไหนคะมาจากบาเซลค่ะ ปาเซลอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์บาซิเล i ยอยู่ในสวิตเซอร์สดิฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณมิวเลอร์ได้ไหมคะ Mohu vám p นำคุณมิลเลอร์ให้ l ุณรเขาเป็นคนต่างชาติเขาพูดได้หลายภาษา o v l á d ่ několik าม e ีท คุณมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมคะดที่ไม่ใช่ดิฉันเคยมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วค่ะแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นค่ะ คุณชอบที ی ی ่นี่ไหมคะยักษ์แสวมอุนัสลีคนที่นี่ใจดีดิฉันชอบมากค่ะและดิฉันก็ชอบทัศนียภาพด้วยค่ะคุณทำงานอะไรคะ Jaké je vaše povolání? d í c a n je n a k l é Jsem překladatel. d í งส a n p ř e k l á d á m knihy. Kdo má tady? e t sám? Jste tady sama? และมวยเจนาเอเยตัดิตเกและนั่นเป็นลูกทั้งสองคนของดิฉันอาตามสม่ด